เสียงอ่านหนังสือสัมมาสมาธิและปฏิปทาครูบาอาจารย์หลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยพระกรรมฐ า, านใสายหลวงปู่มั่นผู้แตกชานในปริยัติและปฏิบัติและแสดงธรรมได้เข้าใจง่ายโดยเฉพาะในแง่ปฏิบัติที่ท่านอธิบายได้กระชับและปรับไปใช้กับทุกอาชีพได้ง่ายมากขึ้นนะครับศาสนาพุทธสาคัญที่สุดคือการปฏิบัติเราจะเห็นได้จากการถกเถียงทางธรรม ที่มักเป็นเน้นความรู้จากการท่องจําจนอาจกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปหลงยึดตัวอักษรโดยไม่เข้าใจถึงความหมายในเชิงลึกหรือเข้าใจได้บางแง่มุมจนมักหลงลืมว่าการจะรู้แจ้งในธรรมถูกต้องต้องปฏิบัติให้ถึงระดับหนึ่งก่อนเท่านั้นที่ไม่ใช่แค่ทําจิตให้สงบแต่ต้องเป็นระดับที่แยกจิตผู้รู้มาเห็นกายใจเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราทําหน้าที่ไปตามเหตุ ป, ปัจจัยอย่างไรเป็นต้น จึงจะเข้าใจความหมายและคำแปลได้จริงคนที่ศึกษาทำโดยไม่ปฏิบัติก็คล้ายคนตาบอดคลำช้างแต่ละคนคลําดนแต่ละส่วนก็ยึดมั่นว่าสิ่งที่ตัวเองคลำเจอนั้นเป็นของจริงที่สุดอย่างอื่นผิดหมดอย่างอื่นไม่จริงโดยที่ไม่เคยเห็นช้างทั้งตัวทีตาของตนเองสักครั้งเลยแต่ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติก็มีควรละเลยการศึกษาทฤษฎีหรือภาคปริยัต ให้ถูกต้องระดับหนึ่งด้วยนะครับซึ่งมีแผนที่ใหญ่คือพระไตรปิฎกเป็นแนวทางคนตรวจสอบให้มั่นใจว่าหลักธรรมหรือคำที่ยึดมั่นว่าถูกต้องนั้นลงกันได้กับเนื้อหาทั้งสามปิฎกหรือไม่ไม่ใช่จับแค่บางส่วนทั้งที่อาจเป็นเพียงคำอุปมาหรือเป็นการแสดงธรรมให้เหมาะสมแต่ละกลุ่มบุคคลเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นคนบารมีแก่กล้าพร้อมบรรลุ กับคนอินสีบารมีทางธรรมยังน้อยหรือแม้ในพระกับชาวบ้านที่อาจมีการแนะนำสั่งสอนที่แตกต่างกันได้ต้องเข้าใจด้วยว่าธรรมะมีหลายระดับเหมือนขนาดของยาที่รักษาโรคเดียวกันจะใช้เท่ากันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ได้พุทธวัจนะบางแห่งจึงนำมาอ้างในทุกกรณีไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นทรงเปรียบจิตแพ่ไปได้เหมือนแสงอาทิตย์ทั้งที่ความจริง ถ้าเปรียบกับคลื่นวิทยุจะใกล้เคียงมากกว่าแต่ให้นึกถึงความจริงว่าถ้าพูดแบบนี้ในยุคนั้นคนยุคนั้นจะเข้าใจได้หรือไม่ก็ต้องหาอุปมาคือสิ่งเปรียบเทียบที่เข้าใจง่ายให้พอเข้าใจในระดับหนึ่งไปก่อนเมื่อปฏิบัติจนถึงระดับก็จะรู้แจ้งด้วยตัวเองได้ชัดในภายหลังและหลายเรื่องเป็นนามธรรมไม่สามารถอธิบายด้วยตัวอักษรต้องรู้แจ้งจากจิตภายในเท่านั้น อีกตัวอย่างที่อยากจะยกมาให้เห็นว่าตัวอักษรแม้จะอึกในพระไตรปิฎกจะแปลได้ถูกต้องก็ควรพิจารณาให้แยบขายก่อนเช่นตัวเลขต่างๆอาจเป็นเพียงอุ ป, ปมารหรือสำนวนเท่านั้นไม่ใช่หมายความตามนั้นจริงเช่นเรื่องที่ตรัสว่าศา ส, สนาจะอยู่ได้พันปีถ้าสตรีมาบวชโดยในยะว่าจะเกิดความเสื่อมในคณะสงฆ์ได้ง่ายขึ้น จะทำให้ศาสนาอยู่ได้เพียงห้าร้อยปีถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าทรงยกตัวอย่างเท่านั้นว่าถ้าอายุเต็มเท่านี้เกิดเหตุนี้ขึ้นมาจะลดไปครึ่งหนึ่งโดยประมาณเป็นตัวเลขกลมๆเพื่อเข้าใจง่ายและความจริงตัวเลขหลายแห่งเป็นํำนวนที่หมายถึงมากประมาณหนึ่งไม่ใช่ว่าจะมีจำนวนเท่านั้นจริงๆอย่างที่ตรัสว่ามีดวงดาวเป็นพัน ก็ไม่ได้หมายถึงพันดวงแต่หมายถึงมากประมาณหนึ่งหรือที่ว่ามีเป็นสนแสนหรือความยาวความกว้าง 84,000 โยนน์ก็เช่นเดียวกันหรือที่เจอบ่อยก็คือคำว่า500รที่บางแห่งก็หมายถึงจำนวนจริงๆแต่เป็นเพียงตัวเลขกลมๆอาจจะมีแค่400ร้อยกว่าหรือ500เศษก็ปัดเป็น500รเพื่อจำได้ง่ายและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นจานวนที่หมายถึงมากประมาณหนึ่ง หรืออาจมีความหมายอื่นไปเลยท่านเทียบกับสำนวนคำว่าโจรห้าร้อยที่หมายถึงโจรชั่วไม่ใช่มีห้าร้อยคนดังตัวอย่างเรื่องเด็กรุมตีงูพระพุทธเจ้าทรงผ่านไปเห็นจึงตรัสสอนมีข้อความริงท้ายว่าในการจบเทศนาเด็กเหล่านั้นทั้งห้าร้อยตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลดังนี้แหละให้คิดถึงความจริงนะครับว่าจะเป็นไปได้ยังไงกับเด็กห้าร้อยคน ที่จะมารวมตัวกันจำนวนมากเพื่อรุมตีงูตัวเดียวเด็กห้าร้อยในที่นี้คนหมายถึงกลุ่มเด็กเกเรจำนวนหนึ่งหรือเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งถ้านับเป็นจำนวนจริงก็คงมีไม่กี่คนจึงจะตรงกับบริบทนี้เรื่องนี้เป็นต้นนะครับถ้าใครเป็นนักบรรยายหรือเป็นครูก็ย่อมรู้ตรงกันได้ง่ายนะครับว่าการสอนคนฉลาดส่วนใหญ่ไม่จาเป็นต้องขยายความมาก หรือเล่าไว้ในเรื่องที่รู้ชัดกันดีอยู่แล้วได้และในการสืบทอดพระธรรมนั้นยุคแรกใช้การท่องจำปากเปล่าโดยนำเรื่องจริงมาแต่งเป็นคาถาเพื่อใช้สวดสาธยายจึงอาจต้องเลือกคําที่เหมาะสมเพื่อความสอดคล้องรับกันหรือสลัดสลวยหรือเลือกจำนวนตัวเลขในการอุปมาให้เหมาะสมเพื่อการสวดคล่องปากและจดจาได้ง่าย หรือแม้แต่อาจมีการตกล่นบางคำที่เป็นคำเชื่อมหรือคำขยายความที่ท่านรู้ความหมายกันดีอยู่แล้วในยุคนั้นจึงไม่จาเป็นต้องใส่เข้าไปก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจตรงกันในยุคนั้นในประเด็นที่ว่าศา ส, สนาจะอยู่ได้กี่ปีนั้นให้สังเกตนะครับว่าปกติพระพุทธองค์จะไม่พยากรณ์ อ, อะไรตายตัวยกเว้นกํามหนักจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนมากจะต้องมีคาว่า ถ้าทำแบบนี้จะได้ผลแบบนี้ถ้ายังไม่ลาทิ่ถินี้จะต้องเจอต้องเป็นต้องไปเกิดเป็นแบบนี้ในเรื่องการบรรลุธรรมก็มีตรัสไว้สรุปความว่าถ้ายังมีผู้เจริญสติถูกทางปฏิบัติต่อเนื่องได้มากพอย่อมสาเร็จอรหันได้ซึ่งการที่ไม่เข้าใจคําอุปมาว่าศา ส, สนาจะอยู่ได้พันปีแต่เมื่อเลยเวลาแล้วยังไม่สูญหาย อัธกถาก็มาแก้ว่าแต่ละพันปีเป็นการเสื่อมของผู้บรรลุธรรมแต่ละระดับและจะอยู่ได้เพียงแค่ห้าพันปีซึ่งส่งความเสียหายอย่างมากเพราะคนไปเข้าใจผิดว่าให้พยายามแค่ไหนก็บรรลุเป็นอรหันต์ไม่ได้แล้วส่งผลให้ไม่เกิดความเพียรเต็มที่และไม่ศรัทธาในสังฆคุณได้บริบูรณ์เพราะถือว่าพระอรหันต์ยุคนี้ไม่มีแล้วดังนั้น การศึกษาธรรมจึงต้องเน้นปฏิบัติให้เห็นสภาวะธรรมจริงกันด้วยไม่อย่างนั้นก็จะยึดมั่นในคำพีแบบผิดทางได้ง่ายแม้จะเรียนจบหลักสูตรทางธรรมมาในขั้นสูงก็ตามนะครับอัธกถาคือคำอธิบายขยายความพระไตรปิฎกมีที่มาจากหลายท่านแต่ละท่านก็มีความชำนาญแต่ละด้านต่างกันและอัถกถานั้น มีทั้งส่วนที่เชื่อถือได้และมีประโยชน์มากคำแปลแบาลีหลายแห่งก็มาจากอัธกถ า, าทั้งนั้นแต่บางส่วนเป็นมติส่วนตัวของท่านที่ฟังไว้เป็นแนวทางได้แต่ถ้าจะนำมาอ้างอิงหรือยึดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องเทียบเคียงข้อมูลให้ครบถ้วนและศึกษาให้แตกฉานก่อนด้วยเพราะบางแห่งเข้าใจว่าท่านคงเกรงจะผิดพลาดเป็นบาปใหญ่หากวินิจฉัยผิด เลยพยายามแจกแจงเป็นในแง่ที่ท่านคิดว่าเสียงน้อยที่สุดหรือมีการอนุโลมในบางเรื่องเหมือนกรณีปราชิกข้อลักทรัพย์ที่ตีความเรื่องราคาของทรัพย์กันอย่างละเอียดมากในขณะที่ถ้าเราวินิจฉัยจุดประสงค์ในการบัญญัติพระวินัยข้อนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าขโมยของราคาเท่าไหร่จึงจะถูกลงโทษซึ่งยุคนั้นกําหนดไว้ห้ามาศจึงนํามาบัญญัติเป็นพระวินยัย จะสังเกตได้ว่าจุดสำคัญคือเท่าไหร่จึงผิดกฎหมายบ้านเมืองถ้าเข้าใจจุดประสงค์จะวินิจฉัยไม่ยากเลยว่าแม้ในปัจจุบันราคาไม่ถึงห้ามาศกก็น่าจะประราชิกเหมือนกันถ้าสิ่งที่ทำผิดกฎหมายเช่นปลอมลายเซนไปหาผลประโยชน์ต่อให้ได้ซับราคาไม่ถึงกำหนดก็ตามเพราะผิดกฎหมายบ้านเมืองแถมโทษก็หนักมากด้วยหลายคนอาจจะคิดว่า มันจะรุนแรงไปหรือเปล่าถ้าตัดสินแบบนี้ก็ขอให้ดูประราชิกข้ออื่นขณะถูกข่มขืนถูกลักลอบแต่เผลอมีใจยินดีแม้เพียงการสอดอ ว, วัยวะเพศเข้าไปนิดเดียวก็ยังประราชิกทั้งที่เป็นผู้เสียหายนะครับเราจะเห็นว่าในข้อประราชิกอันเป็นโทษหนักนั้นส่งเข้มงวดมาก จึงเป็นข้อที่มีควรพยายามตีความให้เปิดช่องให้มีการกระทาโดยเจตนาได้เลยไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามแต่ก็ปรากฏว่าอัตถกถาท่านก็ตีความกันมาหลายยุคจนบางแห่งห้ามาศกตีเป็นเงินไทยได้จำนวนสูงพอสมควรเลยเนะครับที่นำเรื่องนี้มาเล่าไว้ก็เพียงเพื่อเป็นอุทาหรณ์นี่กับผู้สนใจทำได้ตรหนักว่า การยึดถือตัวอักษรตามคำพีโดยที่ไม่แตกฉานจริงหรือไม่ปฏิบัติให้รู้แจ้งจากภายในด้วยนั้นอันตรายและเกิดโทษส่งให้เกิดมิจฉาทิฏฐิได้เช่นกันจึงควรใส่ใจศึกษาในแง่ของการปฏิบัติให้เหมาะสมไปตามลำดับของแต่ละคนด้วยถ้าเป็นคารวาทก็ควรเข้าใจเรื่องคารวาสธรรมให้ชัดตรงก่อนเพื่อไม่เพลอทำตัวเองหรือไปสอนคนอื่น ให้กลายเป็นเด็กอนุบาลที่พยายามฝึกซ้อมในระดับเดียวกับนักกีฬาทีมชาติเพราะจะมีตตดผลเสียมากกว่าผลดีในหลักปฏิบัติสำหรับคราวาสเพื่อการบรรลุธรรมแนะนำให้ฟังเพิ่มเติมจากหนังสือเรื่องพระอริยบุคคลของอาจารย์พรรัตนสุวรรณซึ่งชุมรมผลดีจัดทำเป็นสิ่งอ่านไว้แล้วจะทำให้หลายท่านได้แนวทางที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต่ละคนเพื่อก้าวหน้าทางธรรมไปตามลาดับอย่างมั่นคง ได้ง่ายขึ้นอีกมากเลยนะครับหนังสือเรื่องสัมมาสมาธิเล่มนี้เป็นการคัดคําเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยจากหลายแห่งมารวมกันและมีเนื้อหาที่ดีมากเปรียบเสมือนการได้เคล็ดลับแนวทางที่ท่านปฏิบัติมายาวนานและมาสรุปให้เข้าใจง่ายในแบบกระชับทั้งสิ่งที่ท่านปฏิบัติเองและแนวทางของหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน เหมาะสำหรับเป็นแนวทางเพื่อการปฏิบัติสมาธิและการเจริญสติที่ถูกต้องซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่ชาวพุทธทุกคนต้องใส่ใจทําให้ถูกทางอันเป็นทางสายเอกสู่ความพ้นทุกข์เพื่อความเป็นผู้รู้ทาเห็นทมกันได้จริงต่อไปหลายคนแอนตี้คำสอนครูบาอาจารย์แล้วยึดมันแต่ตัวอักษรในพระไตรปิฎกหรือขอเอาแต่พุทธว จ, จะนะโดยหลงลืมไปว่าคาสอนในพระไตรปิฎกส่วนมากนั้น ทรงสอนคนที่บารมีพร้อมจะบรรลุสอนไม่กี่คำก็ทำตามได้หรือบรรลุได้ทันทีหรือให้แนวทางที่เหมาะสมเจาพ่อบุคคลให้สังเกตนะครับว่าหลายครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วพระปุถุชนทั่วไปไม่เข้าใจต้องไปขอคำอธิบายขยายความจากพระอระหันตาสาวกก่อนจะนำคำอธิบายเหล่านั้นไปกราบทูลให้ทรงทราบและทรงรับรองคำอธิบายเหล่านั้นว่าถูกต้อง ถ้ามีใครถามก็จะทรงตอบเช่นนั้นเหมือนกันให้ดูนะครับว่าก็แล้วทำไมพระองค์ไม่ขยายความตั้งแต่แรกก็เพราะคำที่ตรัสนั้นตรัสกับผู้มีปัญญามากแม้แต่บางครั้งเป็นคำตรัสกับพระอระหันต์ก็ไม่จำเป็นต้องขยายความกลับมาที่คำสอนครูบาอาจารย์รุ่นหลังหรือในรุ่นปัจจุบันนี้แม้จะไม่ใช่พุทธวจนะก็ตาม แต่ก็เป็นคำอธิบายขยายความจเจาะลึกเพื่อการปฏิบัติในขั้นต้นสำหรับคนทั่วไปซึ่งจำเป็นและจะมีประโยชน์มากกับใครหลายคนที่ไม่ต้องเดาวความหมายหรือเข้าใจแค่ผิวเผินเปรียบเหมือนคนเรียนปริญญาสาขาเดียวกันเวลาคุยกันก็ไม่ต้องอธิบายมากพูดถึงบางอย่างโดยย่อก็เข้าใจกันแต่เด็กประถมหรือเด็กมัธยมไปฟังเขาคุยโอกาสจะเข้าใจได้ลึกตรงจริงอย่างท่าน คงเป็นไปได้ยากถ้าจะอธิบายเด็กที่ยังเรียนไม่ถึงก็คงต้องปรับการสอนหรืออธิบายลึกซึง้งขยายความให้มากขึ้นหรือยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เหมาะกับวัยของเด็กด้วยเช่นกันการปฏิบัติของแต่ละท่านอาจมีประสบการณ์ต่างกันและเลือกใช้คำแสดงเปรียบเทียบแตกต่างกันและบางครั้งก็อาจใช้คาเปรียบเทียบให้คนยุคนี้เข้าใจได้ง่ายขึ้นการฟังไว้ประดับความรู้ บางครั้งอาจได้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับเมื่อเราไปปฏิบัติจริงบางคําอาจคลิกให้เรารู้ว่าผิดทางหรือถูกทางโดยไม่ต้องเสียเวลาทดลองเองหรือได้แนวทางแก้ไขหรือปรับใช้กับตัวเองให้มีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละคนได้ง่ายขึ้นแต่ก็มีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าคาสอนสายไหนหลวงพ่ออะไรถ้าถูกทาง จุดหมายปลายทางจะเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อกำจัดอกุศลเพื่อละความยึดว่ากายใจนี้เป็นตัวเราของเราสำคัญแค่เข้าใจจุดประสงค์ในคำอธิบายของท่านถูกตรงแค่ไหนด้วยเพราะหลายคนก็เข้าใจคำสอนครูบาอาจารย์ผิดทางได้ยิ่งบารมีในทานและศีลการทำจิตให้สงบยังไม่มากพอยังไม่เกิดสติตัวจริง ก็ยังมีโอกาสวินิจัยผิดทางได้แม้จะเป็นพุทธวจนะแท้ๆก็ตามนะครับส่วนตัวแล้วเคยเจอคนปฏิบัติภาวนาดีมากจนอ่านใจผู้อื่นได้ยยกจิตผู้รู้ได้แต่เข้าใจคำสอนครูบาอาจารย์ผิดเช่นที่ท่านพุทธทาสกล่าวถึงนรกใต้ดินมันมีจริงที่ไหนขุดลงไปสิจะเจอไหมก็ไปเข้าใจว่าท่านปฏิเสธนรกสวรรค์หลังความตาย ทั้งที่ความจริงท่านต้องการสื่อว่าข้อความในคัมพีบางอย่างเชื่อไม่ได้ไม่ใช่เรื่องจริงนรลกสวรรค์แบบนั้นเป็นความเชื่อตามแบบพราหมณ์ท่านปฏิเสธความรู้ที่ผิดจากความจริงเหล่านี้แต่ไม่ได้หมายถึงว่านโลกสวรรค์หลังตายในรูปแบบอื่นจะไม่มีพบชาติการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีแต่มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ยากหากยังปฏิบัติไม่ได้ชานขั้นสูงถ้าจะสนใจ ก็สนใจสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองดีกว่าเช่นสวรรค์นในอกนรกในใจที่ทุกคนก็ใจได้ด้วยตัวเองคำสอนของท่านจึงเน้นให้เข้าใจทุกสิ่งที่ปัจจุบันแม้แต่หลักปฏิจจสมุปบาทภพชาติก็คือการเกิดดับในทุกขณะจิตหรือการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความว่างหรือนิพพานในปัจจุบันส่วนใหญ่เข้าใจว่า ท่านสอนคนในระดับปัญญาชนที่ต้องการสิ่งที่ตัวเองพิสูจน์ได้ไม่ต้องอาศัยศรัทธาหรือรอปฏิบัติสมาธิขั้นสูงให้ได้ก่อนถึงจะรู้ได้ด้วยตัวเองท่านจึงเน้นอธิบายธรรมะทุกอย่างไปในแนวของการเกิดดับในปัจจุบันในแต่ละขณะจิตนั่นเองโดยละบางเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่น้อยคนจะพิสูจน์ได้หรือเห็นได้ด้วยตัวเองในเรื่องภพชาตินั้นถ้าจะอธิบายกันจริงต้องอธิบายกันละเอียดมาก มีโอกาสเข้าใจผิดได้ง่ายครูบาอาจารย์หลายท่านที่ไม่ชนานาญในการสอนแนวนี้หรือรู้ว่าคนที่สอนตรงหน้านั้นไม่เหมาะจะศึกษาเรื่องแนวนี้เพราะจะเสียเวลาก็เลยนำเข้าสู่การปฏิบัติหรือเน้นสอนหลักธรรมกันเป็นหลักมากกว่าคล้ายที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกับบางคนว่าอย่าสนใจเรื่องเหล่านี้เพราะไม่ใช่ทางคนทุกแต่กับอีกหลายคนท่านก็ตรัสตอบปัญหาไว้นะครับว่าตายแล้วไปไหน ซึ่งบางเรื่องนั้นก็มีความเหมาะสมในการสั่งสอนคนที่แตกต่างกันหรือแต่ละท่านนั้นก็อาจมีความชำนาญในการอธิบายแต่ละด้านแตกต่างกันต่างก็มุ่งอธิบายหรือสั่งสอนในแนวทางที่ตนชำนาญหรือเห็นว่าเหมาะสมกับการละเทศที่สุดในขณะนั้นคนที่ไม่เข้าใจแนวทางของท่านพุทธทาสส่วนหนึ่งก็เข้าใจคำสอนของท่านผิดพากันเชื่อว่าชาตินาไม่มีจริงหรือปรามา ท, ท่านว่าเป็นมิจฉาทิฐิ สอนธรรมะผิดทางการศึกษาธรรมนั้นถ้าไม่ศึกษาปริยัติและไม่ปฏิบัติให้ดีพอก็อาจเกิดความเข้าใจผิดในําสอนและการเผยแผ่ธรรมของครูบาอาจารย์แต่ละท่านได้เช่นกันนะครับจึงควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนจะติติงเพราะจะเป็นบาปร้ายแรงติดตัวไปขวางการบรรลุธรรมของแต่ละท่านในอนาคตต่อไปนะครับ โดยอริยคุณชมรมผลดีร่วมจัดทําโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตรภัยสาลเตชะวลีกุลอัญชยาตติยาวัฒนาสิริเจ้าภาพรองชูวิศศีโพคาประภัยจิตหันกลางครอบครัวอิมวงศสีครอบครัวอธิสกุลครอบครัวกหาสุวรรณจิออร์เจมส์แชงทศพรโลติวิกุลสุดาพรตงสิรินิจชามาโสภาร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่อง